ฟ <c oughs> <c oughs> ังธรรมต่อเราก็มาถึงประตูนี่แล้วออกกวดออกจากว่าจากเรือนมาแล้วมาถึงประตู ที่เราต้องมีสิทธิที่ใช่ไปชีวิตของเราอย่างไรนั้นเกียวกับเราเท่านั้นพระพุทธเจ้าบุกเบิกไว้ให้เราแล้วเจนาสนะส ป, ปายะมีที่อวัยววัดวารามาหารส ป, ปายะ บินทบาทได้มีคนช่วยชีวิตเราเนื่องด้วยผู้อื่นบุคคลและสัพะยาเราก็มีเพื่อนมีมิตร <c oughs> จิ่งที่อำนวยความสะดวกตามฐานะตรมมสัพะยะก็มีธรำโดยเฉพาะด้าเรานี่แล้ว ซึ่งเวลานี้เราก็ที่นี่ก็จัดจิตกรรมให้ให้ท่านได้สะดวกในใสีสิทธิของเราเพื่อประกอบความเพียรไม่ต้องหมกมุ่นอะไรมากตัวเจ้าหงายของที่คว่ำขึ้นแล้วเปิดของที่ปิดออกแล้ว ส่วนชีเลี้ยฉือน อ, อกหมดชินแล้วได้ประกาศแล้วทำได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้เชิญมาดูอดีท่านหลงท่านมีชิตไม่หลงอย่าท่านทุกข์ท่านมีชิ์ไม่ทุกข์ทำได้อยู่ตนักเกิดขึ้นจากตัวเราทำได้ทุกอย่าง เครื่องมือเครื่องทุดแรงสติปัฏฐานยังไงใจ้ให้เต็มที่จิตกรรมเจ็บอาลงเข้มเพื่อให้เกิดความสะดวกชีวิตเรียบเรียบง่ายงไม่ต้องกังวลเรื่องใดจะกินยังไงจะนอนอยังไง ไม่ต้องไปคิดอย่าทำให้ตัวเองมีปัญหาแม่คนอื่นจะทําให้เรามีปัญหาเราก็ไม่ให้เกิดปัญหามาไล่ให้เป็นดีไปเรื่อยแล้วันหลงก็เปลี่ยนหลงเป็นรู้ขอมชั่วมีเท่าไหร่ละไปยความดีไม่เท่าไหร่พยายามทําไปอย่าท้อถอย ปะลบความเพียรทังหวมปฏิโมกในข้อที่พระเจ้าห้ามให้ทำตามข้อพอองอนุญาตประกาศไปแล้วเปลี่ยนอากุศลเป็นกุศลอากุศลคือไม่ถูกไม่ต้องกุศลคือความถูกความต้องไปก่อน อย่าน้นก็ต้องมีสมมาิทิฏฐิมีความคิดเห็นแล้วแม้ยังไม่เดินก็คิดเห็นแล้วหรือแต่เราที่ต้องเดินไปตอนนั้นเองไอ้เช่ชีวิตจากเต็มที่ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเจอเรา บางอย่างก็มีคำถามบางอย่างก็ต้องมามีคำถามตอบเองได้ถ้าตอบไปได้ก็กรรมฐานไปก่อนในการกระทําไปก่อนเดี๋ยวมาตอบทีหลัง <c oughs> การตอบปัญหากับชีวิตเรานี่ไม่มีอันด้าง เอาความหน่องความเพล่เอาเพศเอาไว้ไม่ไม่มีไม่แต่ชวนตัวเราเลยทำได้เลยเหมือนหน้ามือหลังมือมันมาด้วยกันมีชิติมันหลงไม่หลงมันโกรธไม่โกรธมันทุกข์ไม่ทุกข์ไปนี่ ไม่มีอะไรสะดวกไปกว่านี้อีกแล้วถ้าเป็นปฏิรูปประเทศสวศวศอยูป่ประเทศ อ, อันสมควรบางไทยนี้ศาสนาพุทธในบางไทยวัดารรนในบางไทยคนไทยไม่มีที่ไหนเหมาะอีกแล้ว แล้วก็ไปที่ไหนกันแตอยู่ที่ไหนก็ทาอย่างนี้นี่มิตดีฉายดีเพื่อนดีมันทั้งหมดของพมย์จัรยร์ถือมรรคือผลแล้วจึงน่าจะ เพียงพอกับการใช้ชีวิตเรามาทำมาใช้งอมืองอเท้าเ้ามีการบ้านของหลงเราก็หลงเองเราทำให้มันไม่หลงเอาเอง เรก็ทำได้อยู่ไอ้เช่นทำไม่ได้อาจจะหัวเลาะความหลงก็ได้เลยหนะ้าบูดหนะ้าบึงบ้งเวลามันหลงเวลามันโกรธเวลามันทุกข์น่าจะหัวเลาะนะมันจะัจะดวกไม่มีพลังให้ความยากเป็นความยาก อย่าให้ความหม้เป็นความไม้ตั้งไว้ตรงกลางๆให้เห็นหตั้งไว้ตรงกลางอย่าไปเอาผิดเอาถูกอย่าไปเอาสุขเอาทุกข์อย่าไปเอาได้เอาไม่ได้อย่ามีอื่นอื่นมาต่อลอง ในมีอ็นต่อรองถ้าจะมีต่อรองหรือว่าอัตตาที่ปฏายะเอาตนต่อรองบุคคลปปราับปัญญาเอาบุคคลอื่นต่อรองโลกาที่ปไตยะเอาโลกเขาต่อรองมาต่อรองกับเรา <c oughs> อาจจะไม่ถูกต้องเอาธรรมาต่อรองให้เป็นธรรมาที่ปฏายะ อะไรที่เป็นธรรมรวมหลงไม่เป็นธรรมรวมไม่หลงเป็นธรรมรวมทุกข์ไม่เป็นธรรมรวมไม่ทุกข์เป็นธรรมนี่เลยว่าธรรมมาที่ประตเยะอันสามอย่างอาจจะไม่ถูกเสมอไปอยู่ที่ไหนก็ให้ทำอย่างนี้ ไม่ใช่เลือกสถานที่มันมีเช่นตรงอยู่มันมีความถูกอยู่มันมีความผิดอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานี่มีผิดมีถูกอยู่เปลี่ยนผิดเป็นถูกได้ทุกกรณีการใช้ชีวิตของเราเนี่ยให้มีความพร้อมให้มาก อย่าอ้างอะไรเกินไป <c oughs> ไม่มีการกระทำโดยพอกับฐานนี่ตรงๆที่ต้องนั่นฐานคือที่ตั้งให้มีการกระทำอยู่วนที่ตั้งนั่นล้วก็มีกายทุกคนมีใจกันทุกคนมีสติกันทุกคนให้มอตั้งไว้ตรงนี้ก่อน มันจึงจะเป็นเมื่เราทำงานจะฟันมีก็ต้องจับมีมาพันยะชนขวนก็ต้องจับขวนมาควนมาถากแต่คิดใจเขียนต้องจับปากกาสมุดมาเขียนลงไปวาดลงไปให้มันมีบุญวาชฉาละวาดเอาเขียนเอา โดยเพราะกายของเราใจของเรามีครบแล้ววาดมันลงไปให้มันงามสิ่งที่ไม่ถูกให้มันถูกนี่เรียก ว, ว่าวาชนามีจิติตำได้แข่งขันกันได้ไม่ใช่ปล่อยทิ้ง เป็นความชิดเป็นการอ้อนบอลไม่ใช่ให้เป็นการกระทําเรือว่ากรรมฐานเนี่ยที่ตั้งของการกระทําแล้วมันก็ทําได้ศักดิ์สิทธิ์จริงเดี๋ยวที่ไหนก็มีกรรมฐานมีที่ตั้งแห่งการกระทำแต่หนักต้องขยันชักหน่อย เดินเดินนั่งงอนไม่ใช่ทิ้งอย่าไปทิ้งให้สมรสให้แต่งงานกับธรรมเป็นคู่เอาไว้ไปทางไหนอย่าไปคนเดียวให้มีคู่ป้องคู่กับธรรมคู่กับสติไปในกายในใจของเราอยู่เสมอ แต่ได้ชนิดคิดคุ้นเป็นหนึ่งเดียวเขาเลือดเข้าเนื้อเป็นเลยส่วนใดคิดกระเจิงใดใช่จึงใดก็เป็นเลือดเป็นเนื้อสิ่งนั้นไปชูบุรีก็เป็นนิโคตินอยู่ในเช่นเลือดติดได้ยินเล่าก็ติดได้ ความโกรธก็ติดได้ความทุกข์ก็ติดได้ความหลงก็ติดได้ถ้าเรามาเปลี่ยนชาให้มันดีมันก็ติดความถูกต้องทำชั่วได้ยากทำดีได้ง่ายถ้าหัดถ้าไม่หัดก็ทำดีได้ยากทำชั่วได้ง่ายมันเป็นมันเคยชินมันเคยไหล มีเจลิตนิสัยไปทางที่ไม่ค่อยดีเพราะไม่หดัดตนสอนตนเราจะมาหัดเนี่ยแพวกเราก็อยู่ด้วยกันให้วมนวยความสะดกให้การได้เพื่อนเราได้หัดได้ปึกพอจะช่วยได้พอจะทำให้ดูอยู่ให้เห็นก็ช่วยกันไป ให้เราทำหน้าที่ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์เจ้าพุทธศาสนาถ้าทำแต่ประโยชน์ตัวเองประโยชน์คนอื่นไม่ทำก็ไม่ค่อยจะดีทำแต่ประโยชน์คนอื่นประโยชน์ตนทำประโยชน์พุทธศาสนาไม่ทำก็ไม่ค่อยจะดีคนไหนทำประโยชน์ตนหลวเจ้าก็ากกไม่ถามหาคนไหนทำแต่ประโยชน์คนอื่นพระพุทธเจ้าก็กกไม่ถามหา ส่วนผู้ใดทําประโยชน์ตนประโยช น, น์คนอื่นประโดช์พระพุทศาสนาผู้เจ้าก็ถามหาบุคลคลเช่นนั้นจาริบอยู่ที่ใดโมกขลา ย, ยู่ที่ใดอนุท่าอยู่ที่ไหนอุบาลีที่ไหนอานนท์อยู่ที่ใดมังคสปะอยู่ที่ไหนก็าพวก น, อนอี้ทำประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นประโยชน์เจ้พระศาสนาอยู่ที่ไหนก็ทําให้คน ในที่นั่นมั่นคงในศีลในธรรมขึ้นมาไม่ใช่ไม่ใช่ไปทับบางเดิ น, นประโยชน์คือใช้ได้ความหลงมันใช่มาได้ความไม่หลงมันใช่ได้ความทุกข์มันใช่มาได้ความไม่ทุกข์มันใช่ได้ความโกรธมันใช่มาได้ค ว, ไดความไม่โกรธใช่ได้อเนี้ยแล้วประโยชน์ ให้ได้จริงๆกันแต่ยังไงเราจึงจะทำให้ปัญหารเรื่องนี้ไม่มีเราพยายามทำจดสุดความสามารถไม่ได้เอาเฉพาะตัวคนเดียวพยายามให้คนอื่นในรู้ตามโดยรูปแบบต่างๆพยายามทำ มันนี่ก็เป็นงานของมนุษย์เป็นงา น, นชั้นสูงของชีวิตเราขนส่งพุธจารณาเป็นชารยการขนส่งให้ออกจากที่ไปให้มันหลุดออกไปเดี๋ยวนี้มันติดลองหลงก็ติดไปความทุกข์ควาโกรธอะไรที่เลตนาติดไป ยังไม่พ้นพยายามขนส่งให้พ้นไปการถงส่ ง, ง, งนี้คือทําความเห็นให้ถูกต้องไปก็ไปแล้วมันหลงลูกไปกันแล้วขนส่งไปแล้วแล้วหลงเป็นหลงยังไม่ไปที่ไหนอห ล, ลงเป็นลูปไปที่แล้วหลุดไปแล้ว ไกลออกไปไกลออกไปจนถึงอยู่คนละที่อยู่คนละโลกเรียกว่าเรียกว่าอะไรเรียกว่าวิมุต หลุดพุนเสร็จไปแล้วมนก็มีการหลุดพุนท่าได้มีเครื่องมือเห็นเห็นไม่เป็นนี่ก็เป็นขนส่งเราตุกทุกเป็นมันทุกออกจากทุกพ้นจากทุก ไม่ขาวเดียวกันเพ็บลัดมือเดียวถ้าหาดก็ต้องใช้เวลาสักหน่อยเวลาโกจะพูดคมไว้แต่เป็นต้องพูดก็ไม่ต้องพูดออกไปก่อนเดี๋ยวมันก็หายทหาดเมืองต้นาหาดเป็นแล้วเดี๋ยวว่าทำให้หมดไป ถ้าพูดภาษาธรรมะเราะทังคาวิมุตต์กลมไว้แต่งังคาวิมุตต์วิขำปนาวิมุตต์ออกไปก่อนสมุเดเฉตตาวิมุตต์ไม่ต้องหนีไปไหนเปลี่ยนทันทีนี่จริงถ้าจริงก็เปลี่ยนทันทีที่ว่าสมุเดเฉตตาวิมุตต์ทาให้หมดไป ไม่ต้องออกไปไหนมันชำนานแล้วมันเป็นแล้วเธอทำให้มันเป็นแล้วถ้าบทประหัดก็ต้องหัดไปอย่างนี้ถ้าทำเป็นแล้วก็ไม่ต้องหัดมันเราหัดเรียนหนังสือเขียนหนังสือถ้าทำเป็นแล้วก็ไม่ต้องหัดใช้ไรเลยสนุกใช้ ให้เป็นประโยชน์อ่านออกเขียนได้รู้จากความหมายชีวิตเราถ้าหัดเราก็ใช้ได้เลยไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรไปเลยเรียกว่าสมุทเฉต่วิมุตจุดหมายปลายทางคือวิมุตดุดพ้นไม่มีอะไรอีกแล้ว ไม่เป็นอะไรอีกแล้วพ้นทุกสิ่งทุกอย่างการเกิดการเจอกันเจอ ก, กจันตายไม่มีแล้วมีแต่จิตยาธรรมชาติอาการสังขารขึ้นร่างกาจิตใจรูปธรรมนามธรรมนั้นไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วหายไปมีแล้วหายไป เกิดขึ้นแล้วใจเจ็บตายไปมันเป็นธรรมชาติไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราลูกลู่แจ้งจริงๆเรื่องนี้ แ, แล้วเราแล้วถ้าเรายังไม่ลู่แจ้งก็อาจจะยึดถือว่าเราซะมันก็ไม่มีสมุจิตตวิมุติ ตอนทา่าข้าวิมุตต์ก็ยังไม่เคยทําวิขำปันนะาวิมุตต์ก็ไม่เคยออกหีไม่เคยเปลี่ยนหลงเป็นลูกไม่เคยเปลี่ยนทุกข์เป็นลูกทุกข์ก็เป็นทุกข์หลงเป็นหลงโกรธเป็นโกรธสุขเป็นสุขอะไรต่างๆไม่ได้ทํำสักทีแั้วก็เป็นอยู่ดังนั้นหลงจนตายโกรธจนตายทุกข์จนตาย ตลรหัสก็พ้นไปต้นไปได้ในควรประมาทแค่นี้ก็อย่าประมาทถ้าไม่ประมาทน้อยๆเท่านี้มัน ก, มนก็มันก็มากขึ้นได้เหมือนน้ำหยดลงใจตุ่มที่ระยอดก็อาจจะเต็มตุ่มที่เป็นความดีแต่เป็นความชั่วก็เหมือนกันเหมือนน้ำในตุม่มหยดลงเิ็หน่อย ก็จะเต็มไปด้วยความชั่วหลาทีป่ปล่อยชิดปล่อยสูกปล่อยทุกข์ปล่อพอใจไม่พอใจหลายข้างหลายขนก็มากขึ้นไม่ควรประมาทสำรวมอินทรียปฏิบัติไม่ผิดคือสำรวมอินทรีย์สำรวมปฏิมโมกอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ ในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกิ่นเลียมรถถูกต้องวฏฏะอารมณ์ที่มากระทุบทใจจำรวงอย่าให้มันพุ่งไปเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นพอใจไม่พอใจมันไปถึงโน้นมันสําเร็จแล้วห ล, ลงเป็นหลงหรือสําเร็จไปแล้วทดหลงกับความหลงก็ไม่ได้ทดหลงกับความสุขความทุกข์ก็ไม่ได้ ทดลองเราก็เสียเลยเอาเคลือนไม่ได้จึงสำรวมไว้ก่อนจะ่ดนรับจะดวนปฏิเสธเนื้มมือของเราเนี่ยตัดเนิ้วมันก็ขาดไปเลยเอามาต่อไม่ได้ตัดแขนเขนก็ขาดตัดขาเขาก็ขาดมันทดลองมาได้เหมือนอุปกรณ์อื่นชีวิตของเราล้มสักหน่อยไม่เป็นไรปัวให้ความรัก นิดหน่อยไม่เป็นไรปล่อยความเจ็ดชัง่งนิดหน่อยไม่เป็นไรมันก็เคยเสียแล้วมันก็เจียกยากง่ายที่จะหลงไปเสียแล้วทดลองไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองหลงไปปล่อยให้ตัวเองสุขไปเพื่อเพลินไปไม่ใช่ไปทดลองแบบนั้นไปสมบรวมอินทรีย์ไปติโมกสมบูร นี่ข้อปฏิบัติไม่ผิดอมีศิ น, นักษากายวาจาใจยเย่บ่อยอยู่เสมอต้องหูเสจาเป็นผู้ได้สดับตับฟังผู้ได้ยินได้เห็นมามากไม่ควรจะละเลยสงสัยบาลรคความเพียรจะเห็นจะนอนมากนัก ชาคดียาโยกประกอบความเพียรจะเห็นเจเล่นเจนนอนมากนักเพลิดเพลินในรสของโลกเกินไปในกรรมคมืต้องรูปรสกินเสียงทิ้งมันเลยใจเด็ดสักหน่อยใจเสียงสักหน่อยแต่เป็นใจหมานใน บางเป็นมนุษย์ใจสิงไปดูสิงโตอยู่ที่สวนสัตว์กรุรงเทพดูสิถ้าใครเรียกสิงโตมองหน้าเราเแล้วว่าจริงถิงโตไ ม, ม่ไม่มองเลยเดินผ่านเราเฉยล้วจะควกมือเดีอยงไงมันก็ไม่สนใจด้จวยใจสิงอย่าวหวั่นไหว ทำไมไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่สิงทำไมจึงพูดอย่างนั้นทำไมทําอย่างนี้ น, นั่นใจหมาใ น, นใจสิงก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรตะพิ่งตะเพื่อปช่างหัวมันช่างหม้อหมั น, มมนเป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั่นเองไปเรื่อยหัดให้มี ทางเดินแบบมนุษย์ใจฉิงจะหวั่นไหวอะง่ายเงความคิดเกิดขึ้นก็หวั่นไหวแล้วตาเห็นรูปก็หวั่นไหวหูได้ยินเสียงก็หวั่นไหวเห็นใบไม้ปลิวก็หวั่นไหวเกิดความคิดเห็นขึ้นมาเพื่อนสองคน เห็นใบไม้ปลีวกว็าถามว่าใบไม้เป็นทําไมจึงปลี่ยวคนหนึ่งก็ตอบว่าเพราะมีลมคนที่ถามว่าไม่ใช่เพราะมันมีใบไม้มันจึงปลีวแ้่ไม่มีใบไม้มันก็ไม่เห็นปลีวตรงไหนแม่มีลมก็ไม่เห็นปลีวแ้่ไม่มีลมใบไม้ก็ไม่ปลีวเถียงกันเอาเหตุผลใส่กัน ไม่ตกลงกันไปหาอาจารย์ให้อาจารย์เฉลย <c oughs> อาจารย์ครับ <c oughs> ผมว่าไปไม่ไมาปิวคน <c oughs> นี้บอกว่ามันเพราะลมทําให้ไปไม่ปิว <c oughs> ต่างคนต่างเถียงตกลงกันไม่ได้อาจารย์มาเฉลยเรื่องนี้ดู <c oughs> อาจารย์ก็บอกว่ามันปิวมันหวั่นไหวไม่อยู่ที่เรา ถ่าเราไม่หวั่นไหวไม่ปลวมันก็ไม่มีอะไรเอาเรื่องใบไม้เอาเรื่องลงมาพูดจนเป็นการบ้านทะเลาะกันได้ชีวิตของเราความคิดของเราก็หวังกันคิดขึ้นมาค่องแค่งค่องขาตัวเองได้เหมือนกันฉันอยู่ที่นี่ต้นโตอยู่ที่นี่จึงมีเครื่องมืออันยอดเยี่ยมมีสติจ้ะ ใช่เลยรู้สึกตัวซะกลับมาหาที่ตั้งเอาไว้ไม่ต้องไปเฉลยมันทําไปก่อนหรือว่ากรรมคือกรรมาฐานไปก่อนนี่มันมีเกิดอะไรขึ้นกับนักปฏิบัติเวลาเราเจ็บอารมณ์เนี่ยอะไรเกิดขึ้นก็นตามไม่ต้องคิดหาคมถามคําตอบให้ปฏิบัติไปก่อนทําไปก่อนมันก็มีหลักอยู่แล้ว พระเจ้าเฉลยไวแล้วคุยทางไวแล้วสับสาวไว้แล้วเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วเงื้อน่านาพรที่ไหลลงพืลงลงง่ลงไถลงปลูกลงฝังไ้เลยไม่ต้องไปสับสาวฉน่าชนะเัพยะบุคคลเฉพยะอาหารเฉพาะเจาธรมปปรมะเฉพาะมีแล้วอยู่ในเรานี่ มีอยู่กับสิงเวล่อมเราก็มีแล้วพอสะดวกพอจะอยู่ก็ได้ก็อยู่กันไปให้ทำอันนี้แต่จำเป็นก็ไปไมีภาระแต่ว่าไม่ได้ไปจากตรงนี้ไปอยู่ที่ไหนก็เหมือนนี่ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ก่พร ะ, ะ, พร ะ, ะัระาสนาปั๊บเดียวเป็นนั่งสองอย่าง เราเล่าความช่วยเหล่านี่ก็เป็นประโยชน์คนอื่นประโยชน์เจรโลกด้วยเราเป็นคนดีก็เป็นประโยชน์นี่เรามีพ่อมีแม่เราเป็นคนดีก็ถือว่าตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ไอ้ก็อยากให้ลูกเป็นคนดีถ้าเรามีผัวของคนเราก็เป็นคนดีในเมียก็เป็นคนดีเขาก็มีความสุข เราเป็นคนดีประเทชาก็สงบร่ม เ, ย, นเนย็นมันมีเท่านี้ไม่ใช่ไปเจนกันมีรั ร, รมนูนมิชตาาวุธมามีอยู่กับเราเนี่ยตั้งต้นจากเราเนี่ยนับหนึ่งจากเราเนี่ยเปลี่ยนหลงเป็นลูกเนี่ยเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์เนี่ยเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธเนี่ยเปลี่ยนความพอใจความไม่พอใจให้เป็นมีสติเนี่ย จงถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกเสียได้มีสติทาประชัญญาแล่แหล่อยู่แล่แหลวอยู่มีสุขก็แล่ถอนสุขออกมามีสติมีทุกข์ก็ถอนทุกข์ออกมามีสติมีเจตสติไปดุลๆสักหน่อยอย่าเอาเหตุเอาผลเหตุผลไม่ใช่เจตธรรมเจตธรรมคือ คือไม่ใช่เหตุผลมันหลงเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงไม่มีเหตุผลเลยที่มาต่อรองตรงนี้มันโกรธเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธไม่มีอะไรต่อรองเป็นภาคปฏิบัติโดยตรงมันขนาดนี้คือสัจธรรมสัจจะควมจริงอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ จรงจริ ง, รงมานานเท่าไหร่คนจะลูกไม่ลูกมันก็เป็นอย่างนี้สัจธรรมแม่พระเจ้ายังไม่ตัดจะลูกก็มีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเป็นมาพระเจ้าเป็นผู้คนพบเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ความจริงมีอยู่แล้วจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงได้ ว, ว่าสัจธรรมอมตะสภาวะธรรมความหลงไม่จริงความไม่หลงจริง ความโกรธไม่จริงความไม่โกรธจริงความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์จริงนี่คือสัจธรรมมันมีอยู่แล้วก็ตื่นตื่ล้นพอเห็นเรื่องนี้ก็อุย้ยขยันนะขยันเปลี่ยนหลงเป็นรูเนี่ยมันเป็นโกดเป็นกรรมขึ้นมาไม่เคยเปลี่ยนตรงนี้เลยแต่ก่อนทําอะไรให้สําเร็จสําเร็จสําเร็จปลูกข้าวสี่สิบไร่ที่นาปลูกสําเร็จ ปลูกล้วเกี่ยวข้าวที่นาสีสิบไร่ทำให้สําเร็จนั้นก็เป็นอันหนึ่งแต่ความสําเร็จจริงๆมันอยู่ที่นี่แหะมาทํางานนี้แหละมันดีกว่าปลูกข้าวเกี่ยวข้าวมันเป็นมรรคเป็นผลได้ข้าวได้ปลามากนินแล้วก็ยังแกย่ยังเก็บยังตายยังทุกข์แต่ว่ามาทํางานตรงนี้มันพ้นไปจริงๆจึ ง, จงน่าจะขยัน โดยเพาะใช้ชีวิตนักบวชนี่มันชอบที่สุดในการงานแบบนี้ล้าใครจะไปใช้ันว่าก็ชอบเหือนกันจะเป็นประโยชน์ก็าฝกดีแล้วแต่ก็ไม่จําเป็นถ้เป็นคำว่าเป็นเจ้าของเป็นผู้รับผิดชอบบังคับแคบแล้วเป็นนักบวชไม่บัคับแคบไปได้เหมือนปดโนกมีปีก บินไปไหนก็ได้ไดเป็นคระว่าครอบครัวก็ครอบคบคือทำไงฮะคาว่าครอบคืออะไรฮะคำว่าครอบคือจะทำไงคิดหน้อยคำว่าครอบคืออะไรฮะครอบคืออะไรมาครอบไปเอาสู่มาครอบไว้ไปไม่ได้ แยกผูกคอปอกผูกศอกปอกศบขาไปไม่ได้หนคอบแว้บครั ว, วคืออะไรครัวอะครัวคืออะไรเสมบหยิ่งเสมบหยิ่งครัวคืออะไรครัวไม่ได้สับแต่ฟันกันนะไม่เห็นไปดูนะ่ะก็ลองนะครัวเลยเสียงค้งเสียงสาบเสียงให้ตรงหนึ่งตรงงสับกันให้มันเหลกครัว นี่ก็สับกันนั่นก็มาดีนั่นก็มา ด, ดีอยู่ในครอบครัวบางทีมันก็เป็นภาระบางที่มีลูกเป็นหลานคนมันก็ทำดีคนนี่ก็ทําไม่ดีนนดหงนโน่นหูนนี่อางคนก็เป็นทุกข์เ<อ>พราะมีลูกเป็นทุกข์เพราะมีเมียมีผัวเป็นทุกข์เพราะมีมมมทรัพย์ม ส, สมบัติเหมือนเดือ จ, จก อยู่ใกล้บ้านเศรษฐีไม่มีรายขอเินเป็นวันๆก็มาบ้านก็มาร้องเพลงกันอยู่ที่บ้านสองคนผัวเมียเศรษฐีก็หมวกหูเลยว่าเห็นคนสองคนเนี่ยมันร้องอะไรมันทุกข์เลือดร้อนอะไรเดียวเงินไปให้ ให้นอนสบายสบายไม่ต้องคิดอะไรพอเงินไปให้กันนอนหลับเมื่อนอนไม่หลับกังวลว่าเงินจะใช่อย่างไงเดี๋ยวมันจะเสียหายจะได้มาอย่างไงเจ็บว่าอย่างไงตอนนัพอหย่าจบได้รับเงินก็เงียบนอนไม่หลับมาคิดเรื่องเงินสองคนมานั่งคุยกันเอายังไงดี เห็นว่านอนไม่หลับคืนสองคืนก็เอาเงินไปคืนให้เศษฐีไม่ไหวหอกท่านเษถีคิดยากเอาคืนไปเชิจชมบดที่ท่านให้นี่เราเห็นว่ามันไม่มันทำให้มีการบ้านต้องระมัดระวังเงินไอ้ง่วยเง่าจะจักไหมไอ้ง่วยเง้า เอาเล่าเจักหน่อยได้ไหมห <c oughs> นายงูเป็นลูกเศ ร, รษฐีเต่งูไอ้เง้าก็งูสองคน น, น, นายนายนายงูเนี่ย <c oughs> พพ่อแม่ตายไปมอบสัตว์สมบัติให้ก้อนใหญ่ไม่รู้จำไงเออเลยเอาไปฝังไวใ้ในดินในสวน ฝังไว้แล้วขุดกอแฝกมาถมไว้ปลูกกอแฝกทับไว้เขียนไป้ายไว้ว่าในที่นี้นายโง่ไม่เดียวซับมาฝังไว้ <laughs> นายโง่ไม่เดียวซับมาฝังไว้นี่เลยกลัวคนจะมาลักนะทอดีนายเง่าไปถ่ายเห็นกอแฝกปลู ก, กไว้ใหม่เหี่ยวๆแล้วเขียนไป้ายไว้ เขียนไว้ว่านายงูไม่ได้เอาทรัพย์มาฝังไว้ที่นี่เห็นรอยขุดอ้ยขอดลองขุดลองดูชี้โา้ขุดเราเห็นทรัพย์ป้อนใหญ่เลยเลยเอาทรัพย์ไ ป, ไปเออเขียนป้าไปอีกว่านายเงาไม่รักทรัพย์ที่เลย <c oughs> นายเงาไมไเอาทรัพย์ที่ดีไปเลย <c oughs> ทั้งสองคนนะไ <c oughs> อบ้บางก็มีด้วยก็การะนี้